Fifty languages. 65. 65. a t s การปฏิเสธสอง a c i o d o แหวนวงนี้แพงไหมคะ Escarlane. ไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโร n น n o m มสคอ s no, t a <S 1ซ0 e u r ร s แต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะปรานุเมสันทิงซคุณเสร็จแล้วใช่ไหมอซาคาบาดไม่ยังไม่เสร็จค่ะ n นอ n c ก r a <acab> mai, set, no น แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ ะ, ะคุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมค ะ, มะไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ no, แต่ขอไอศกรีมอีกถ้วยค่ะ คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะกาฟะไกระกาวิุระกีไม่ค่ะพึ่งเดือนเดียวโนนุเมสุนเมสแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วเพรายะกูแน่คุณมุนเดจนคุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะบาสะกาสะดะมะ ไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์ no นุ้มิจะเอาสก๊อปส์เดสมัแต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะ p ปรดอย่าทรมนูดิอูลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะลัตเวฟิล l ลียเยสไมโยดาดัตไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดปี โน้ติหนึเดืดิเซตันแต่เธอมีแฟนแล้วนะรวนะประหยัดชิคกกรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด